จริงๆผมเนี่ยไม่เคยรู้จักท่านเขมานเนทะเป็นการส่วนตัวก็ไม่ทันเอาอือกูผมไม่ทันอหลวงพ่อเทียนผมก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวสมัยก่อนผมเข้าร้านหนังสือทุกวันเพื่อจะไปหาหนังสือธรรมะทีนี้ก็เจอหนังสือของท่านเขมานเนทะเล่มแรกเป็นชื่อเรื่องปริชาญาตผู้ไม่รู้หนังสือก็ประทับใจมาก แล้วก็ไปเจอรุ่งอรุณแห่งความรู้สึกตัวก็ประทับใจมากเหมือนกันสุดท้ายก็ไปเจอเรื่องดวงตาแห่งชีวิตเป็นเล่มที่ผมประทับใจที่สุดเนื้อหาสำนวนทุกอย่างก็สละสลวยเป็นศิลปินมากพอเจอใครที่สนใจปฏิบัติธรรมะเนี่ยผมก็จะ ผมจะให้หนังสือดวงตาแห่งชีวิตเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมรู้สึกว่ามันครบถ้วนทุกอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมที่ท่านเขียนมาพูดเขียนในหนังสือเนี่ยมันเป็นการพูดในเรื่องเรื่องเดียวคือความรู้สึกตัว ท่านเขมมานี่เคยพูดทำนองว่าเรื่องลึกเนี่ยมันเป็นเรื่องตื่นเรื่องตื่นเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องลึกคือหมายความว่าไอ้เรื่องความรู้สึกตัวที่มันตื่นตื่นเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนคนหนึ่งอันนี้ก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้แต่เรื่องลึกๆคือหมายความว่า เราชอบคิดเราชอบพิจารณาเราชอบที่ทุกวันนี้เป็นปัญหาก็คือว่าคิดพิจารณาไตาลักนี่แหละ <laughs> <laughs> เห็นอะไรก็รีบไปดูว่ามันเป็นไตลักรีบไปพยายามเข้าใจว่านี่เป็นไตลักแบบนี้แบบนั้น <laughs> เราคิดว่าน่าเป็นวิปัสสนาแต่เราไม่เห็นก่อนที่เราจะไปคิดแบบนั้นว่าเรากําลังคิดอยู่ ความคิดอันนี้พาเราไปสู่ความพ้ทุกข์ไม่ได้พาเราไปเข้าใจความจริงไม่ได้เพรา ะ, ะนั่นอันนี้เลยมันเป็นกับดักมันเป็นกับดักที่เรานึกว่าเรากําลังเจริญปัญญาอยู่แต่จริงๆเราไม่ได้เจริญปัญญาเรากาลังเจริญความรู้ในโลกเฉยๆว่าโลกนี้เป็นแบบนี้อยู่ภายใต้อานิจจังทุกขังอนัตตา ความคิดอันนี้นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ทำไมเราต้องพยายามที่จะเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ด้วยที่ทุกคนฟังในคลิปว่าเราเห็นแต่เห็นไม่จริงเรามีตัวตนเข้าไปเห็นเราอยากจะเห็นไตรลักษณ์เราอยากจะเลินวิปัสสนา เราฟังมาว่าเขาว่าแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้แต่ความรู้สึกตัวล้นล้วนทนท่วนอันนี้ท่านเคมาพูดแบบนั้นจบแค่ตรงนั้นเมื่อไหรที่เรารู้สึกตัวล้นล้วนทนทวนไม่มีความคิดไม่มีอะไรเราจะได้ค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วคือความเป็นปกติที่มันมีอยู่แล้วในจิตใจของพวกเราทุกคน ซึ่งความเป็นปกติอันนี้เลยสำคัญมากเราได้กลับไปสู่ความจริงกลับไปสู่สัจจะที่มันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วท่านไม่พูดถึงการเจริญพิปะสะนาคือการเห็นไตรลักษณ์เลยท่านเขียนมาจะพูดว่าการคิดพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้เป็นเป็นการเข้าไปในโลกของความคิดนะพูดยังไง คำพูดของท่านจําไม่ได้พอดีเป๊ะ เ, เ, เดี๋ยวนี้จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วทุกอย่างที่พูดก็เป็นเขาลางที่เคยอยู่ในความทรงจําก็แต่ท่านจะพูดชัดว่าการเข้าไปพิจารณาตรายรักจะทําให้เราตกอยู่ไปในโลกของความคิดทําให้เราได้ความรู้แต่เราไม่พบความจริงผมเลยพูดในทุกคลิปตลอดว่า ทางของการปฏิบัติธรรมคือทางที่เราต้องไปสู่ความพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงให้ได้มีทางง่ายๆแค่นั้นเองแต่พวกเรามีความรู้เยอะเรามีความรู้จากครูบาอาจารย์จากคำสอนจากพระไตรปิฎกจากอะไรมากมายที่เราเก็บข้อมูลมาว่า เราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างงานต้องเป็นอย่างบู้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันยากยากมันต้องรู้เยอะเหือเกินมันต้องวันเราจะรู้แบบนี้เราจะเห็นเกิดดับเราจะเห็นเกิดปุ๊บดับปั๊บเห็นคนไม่ใช่คน <c oughs> เรานึกว่ามีอะไรพิเศษมากมายในการที่เราปฏิบัติธรรมจนวันนึงเราพ้นทุกข์จริ ง, รงๆไม่มีอะไรเราแค่พ้นทุกข์เฉยๆเราจะเป็นคนธรรมดาจริงๆเรากลับกลายเป็นคนธรรมดาจากที่เราไม่ธรรมดา เราในชีวิตมีหัวโขนมากมายสารพัดหัวโขนที่เราเคยเป็นถ้าเราได้ไปอยู่วัดอยู่อะไรเราก็จะรู้ว่าหัวโขนนั้นไม่มีความหมายเลยหรือไปได้ถ้าเราได้ไปบวชเราจะรู้เลยว่าเงินที่เรามีตำแหน่งที่เรามีอำนาจหน้าที่ในโลกที่เรามีนี่ไม่มีค่าเลย เ, ลยเราต้องไปกราบพระอายุยี่สิบที่เขาบวชก่อนแล้วถ้าเราอายุสี่สิบห้าสิบเราต้องไปกราบเด็กกว่า อันนี้คือสิ่งที่พระพุเจ้าตั้งเป็นวินัยเอาไว้เพื่อให้คนเราเนี่มันลดอัตตาตัวตนลดทิฏฐิมานะลงไปท่านเขียนมาก็เขียนหนังสือดวงตาแห่งชีวิตผมอยากให้ทุกคนก็กลับไปอ่านอีกทีหนึ่งใครที่ไม่เคยอ่านกลับไปอ่านอีกทีนึง เราจะได้ความสดใหม่อีกครั้งหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมเคยคิดว่าผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องตื้นๆที่ท่านเขียนมานั้นท้าพยายามจะแสดงออกมาผ่านตัวหนังสือผ่านคลิปธรรมะของท่านมันเป็นสิ่งลึกซึ้งมาก จนกว่าเราจะเข้าใจความจริงเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากมันเป็นเรื่องตื้นๆจริงๆในหนังสือแต่มันลึกมากผมเลยพูดกับพวกเราหลายครั้งว่าคลิปผมเดี๋ยวฟังอย่าเบื่อเบื่อก็ต้องฟังเพราะมันจะเป็นแบบนี้ เราเคยคิดว่าเราฟังว่าเรารู้เรื่องแล้วเราเข้าใจแล้วแต่เราไม่เข้าใจหรอกเหมือนที่ผมอ่านหนังสือท่านเขมาเนี่ยนะผมอ่านผมก็นึกว่ผมเข้าใจแล้วผมอ่านหลายรอบด้วยชอบอ่านแต่ตราบใดที่การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันยังไม่ไปถึงความจริงเราเข้าใจแบบไม่ได้แต่พอเราเข้าถึงความจริงแล้วเรากลับไปอ่านเราจะรู้ว่าโอ้โหเขียนดีมากพูดดีมาก คนที่ไม่เข้าใจความจริงจะพูดแบบนั้นไม่ได้มันผมเคยพูดเรื่องความรู้ตัวแบบลืมตัวอันนี้เป็นภาษาท่านเขียนมานันทะไม่ใช่ของผ ม, ผมแต่พอผมได้ยินทัานเขียมาพูดอันนี้ปึ๊บผมรู้เลยว่าเรารู้สึกเหมือนกันมันเป็นสภาพที่มันเหมือนดาวเทียมที่มันลอยอยู่บนอกาส มันไม่ต้องอาศัยสลิงอะไรยึดโยงให้มันลอยอยู่มันลอยผมมันอย่างนี้นตามธรรมชาติเฉยๆซึ่งผมเรียกสภาพแบบนี้ว่าเป็นสภาพที่มันเหนือสติมันหมดเวลาที่จะพูดเรื่องสติแล้วมันเป็นสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นเฉยๆ มันไม่มีความรู้สึกถึงว่าเราจะเรียกว่าเรากำลังมีสติเรากำลังมีสมาธิเรากำลังมีปัญญามันไม่มีเราเพราะนั้นไม่มีอะไรเราเพียงแค่รู้สภาพทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงเฉยๆโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะต้องมีอะไรมันเลยเป็นคำสอนที่ว่าเราจะเห็นทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองเห็นเฉยๆที่ผมพูดว่า เราแค่ดำรงอยู่ในในธรรมชาตินี้เฉยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นปฏิปัติอะไร ก, กับธรรมชาติแต่ไม่ใช่ซื่อบื้อนะถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมได้เท่านี้กับร่างกายเรากับชีวิตเราก็ก็แค่นั้นทําไม่ได้มากกว่านั้นเราก็ไม่มีตัณหาที่จะไปทําให้มันมากกว่านั้น เพรา ะ, ะนั้นเราเลยไม่ทุกเราก็อยู่ได้ตามสภาพที่เราแอดฟอร์ดได้คือมีศักยภาพพอที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับที่พอดีคือพอดีนี่เป็นสิ่งสำคัญพอดีสบายเกินไปก็จะทำให้เราปฏิบัติธรรมไม่ได้ เราจะติดความสบายเราจะไม่ค่อยเห็นความทุกข์ในชีวิตเท่าไหร่ทุกเกินไปปฏิบัติธรรมไม่ได้เหมือนกันถ้าเราพูดให้เห็นภาพคือมันพวกสนนรกพูดให้เห็นภาพใกล้ก็ไม่อีกก็เหมือนตอนที่เราโกโรธมากๆปฏิบัติธรรมไม่ได้ใครอยากให้เราหายโกรธ ไ, ไม่หายหายไม่ได้เลยต้องโกรธเราษนานแบบนทุกมากๆปฏิบัติธรรมไม่ได้ แต่มนุษย์เราโชคดีโชคดีที่เรามีความเป็นปกตินี้เป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้วแต่เราแค่หลงลืมมันไปเรามีหน้าที่ง่ายๆอยงปลุกมันขึ้นมาเฉยๆปลุกความเป็นปกตินี้กลับขึ้นมาอยู่กับมันอยู่กับมันให้เยอะกว่าอยู่กับแฟนเรา <laughs> และชีวิตเราจะเข้าถึงความพ้นทุกได้ทันที ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเต็มที่ความพ้นทุกขนั้นมันก็จะบริบูรณ์มือนจะพ้นทุกตลอดไปผมเคยไปเจอท่านเขมาทีหนึ่งที่บ้านหมู่บ้านบัวขาว่ไบ้านท่านก็สมซ่อหน่อยไม่ได้ดูดีดูหน้าอยู่ จนหลวงพ่อมหาดีเลศไปเจอท่านเป็นแบบนั้นเนี่ยเลยบอกลูกศิษย์ว่าปล่อยให้ครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดการระดมทีมงานลูกศิษย์หลายสายก็ไปช่วยกันก็ในรมิต บ, บ้านซอมซ้อนขึ้นมาเป็นบ้านที่ไม่ใช่รูลาอะก็ก็สะอาดสะอ้านหน้าอยู่ เพราะว่าท่านเขียมานันทกาก็มีคุณอุปการกั บ, บคนมากมายจะเปลียบไปท่านเหมือนตัวแทนหลวงพ่อเทียนแล้ยด้วยซ้ําคนบรรจอหลวงพ่อเทียนได้ในวงกว้างขวางผมคิดว่าเป็นเพราะท่านเขีมานันท์เคยได้ยินอย่างท่านพูดว่าท่านเข้าไปในซอกกับแผงบ้าน แ้วเข้าไปทไ่ททานค่อยค่อยเนอยู่ท่าอนี้เป็นกำแพงก็ซอกมันต้องเข้าไปอีกท out. ่านี้แล้วปรากฏว่าท่านเข้าไปปุ๊บแล้วอยดีสมองไม่ทั่งานท่านขยับไม่ได้คือไม่รู้จะไปทางไหนคือถ้านนิ่งไปอึ้งทำอะไรไม่ได้เลยค้างอยู่นานครับท่านก็ต้องขยับออกทางนี้ทางนี้ก็เป็นปัญหาทางร่างกาย ถ้าเป็นเราบางทีเราเนื้อไหมพวกเราเนี่ยถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราจะงุดหอิดเหมือนเราจะนึกไ อ, ไ, อไอ้นั่นะจําชื่อมันไม่ได้ใจงุด่ดอิดในใจแล้วทําไมนึกไม่ออกอ่ะคนแก่ก็มีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราปกติดีเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเฉยๆนี่เราจะเห็นว่าคนแก่สองคนก็ต่างกันคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรม เราจะมีชีวิตที่ต่างกันเราจะมีชีวิตที่ทุกข์กับไม่ทุกข์ต่างกันร่างกายเราห้ามมันไม่ได้มันต้องป่วยมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายแต่ความไม่ทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้ถ้าเราเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมแบบนั้นไอ้ความที่เราไปฟังอะไรเยอะๆฟังอะไรมากๆแล้วเราก็ จับประเด็นไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวขวางกั้นในที่สุดเพราะว่าความรู้ทั้งหลายมันจะพาเราสงสัยใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้เราใช่หรื อ, อยังอีแบบนั้นใช่ไหมเนยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่ถ้าเรารู้หลักเนียหมือนที่ผมพูดให้ทุกคนฟังเรื่องรู้สึกตัวไม่หลงเข้าไปในโลกของความคิดแล้วก็เห็นใจที่ปกติรู้จักใจที่มันปกติ จากสภาพเดิมแท้อันนี้บ่อยๆถ้าทุกคนยอมสละความที่เราอยากจะได้ความรู้หรืออยากจะได้สภาวะอะไรที่มันดูรูหลาหรือที่เราฟัง <c oughs> เคยฟังเมา่คนที่มีสภาวะนั้นมีสภาวะนี้ถ้าเรายอมสละสิ่งเหล่านั้นได้เราจะไปเร็วมากแต่เนื่องจากเราไปเอาความรู้หลายอย่างมาเยอะ สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราติดอยู่ที่ทำให้เราสงสัยความสงสัยเป็นอุปสรรคอันใหญ่ของการปฏิบัติธรรมทำไมเราสงสัยเพราะเราอยากจะได้ความรู้ทำไมเราอยากจะได้ความรู้ก็มันมีเราอยู่นั่นแหละเราไม่ยอมอยู่กับความที่เราปกติในความปกติอยู่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอยากไม่มีไม่อยาก ไม่มีความรู้อะไรด้วยเพราะว่าในขณะที่คนเราปกติอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรเคยรู้จักคนที่เป็นวิปัสสนีที่ชอบพูดทำมากไหมมีความรู้ทางธรรมะาขึ้นมาตลอดเวลามีอะไรแบบนั้นคนพวกนี้อยู่ในความคิดตลอดแต่เขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาโอ้โ oh, ห oh, กาลังแห่ความรู้ทำัทงธรรมมากเขาเยอะมากเขา เป็นอะไรคิดอะไรเป็นเห็นอะไรเป็นธรรมมากไปหมดเนี่ยเนี่ยเขาพลาดการเห็นเฉยๆไปแ <c oughs> ค่ us, เห็นแล้วก็เห็นเฉยๆนี่เขาพลาดไปเพราะนิกว่าเขากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เขาได้ความรู้เยอะแยะมันไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าเคยถามภาษาลีบุตรว่าท่านอยู่กับอะไรภาษาลีบุตรตอบว่าอ๋อผมอยู่กับสุญญตาวิหารก็คืออะไรอยู่กับความว่าง ก็คือมีความว่างเป็นวิหารธรรมแล้วมันจะมีอะไรในความว่างมันไม่มี